อ่อามทั้งหลายวันนี้ก็เป็นวันที่สามคุณเดือนกันยายนสำหรับการแนะนำในการเจริญพุทธรัณานวันก่อนว่ากันมาถึงตอนต้นตามระเบียบคติสมาธิเมืว่วานนี้ก็พูดถึงสติญาของพระโสดาบันรือสัญญาณสามอ่วันนี้ก็จะขอพูดสัญญาณสิบ เพื่บันดาญาติโยมพรทธบริสัทว์จะได้เข้าใจเข้าใจในความเป็นพระอาาริยเจ้าคือว่าการจเจริญพระกรมฐานส่วนใหญ่ก็ไปมุ่งสมาธิความจริงการมุ่งสมาธิไม่ผิดแต่ว่าถ้าจับเฉพาะสมาธิยอย่างเดียวก็เป็นพระอาาริยเจ้าไม่ได้บางท่านจเจริญนิปสนายานก็ใช้การพิจารณากว้างเกินไป ถ้ากว้างเกินไปไม่เข้าขอบเขตพระอรยเจ้าจุดใดจุดหนึ่งก็ไม่สามารถเป็นพระอริยะเจ้าใดนอกจากว่าจะต่อไปก็เมรุกลุ่มถ้าเราทําสมาธิมาขนาดนี้เราจเจริญมพิปัสายานมาขนาดนี้ไม่เห็นได้อะไรเลยที่กล่าวนี้ปรากฏว่ามีจดหมายมากฉบับมีปฏิวัติก็บางคนก็บ่นว่าทํามาเกินยี่สิบปียังไม่ถึงไหนอ่ะ คี่คำว่าถึงหรือไม่ถึงต้องสัเข้าใจในสัญญาติสิเพื่อสัญญาติีิจะบอกความเป็นพระอรดียเจ้าอย่างพระโสดาบันกับพระสีธาคามีจะตัดสัญญาติเบื้องต้นได้สามคือหนึ่งสกายาติธิสองวิจิกิจชาสามิลปตะประาปรมาด คำว่าส ก, กายติติมีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราในนั้นหมายความนั้ว่าเราคือร่างกายมันยะทรงชีวิตอยู่ไม่รู้จักคำไมาตายเพื่อไม่มีการตายเนี่ั น, นี้เปโรมุส ก, กายติติ <c oughs> ถ้าการเข้าไปตัดําว่าโสดาบันระสกิธาคามีมีกำลังตัดไม่สูงเค่กาลังตัดเบา ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดาบันก็ดีพระสีธาคา ม, มีก็ดีมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีสินบริสุทธิ์คําว่าสมาธิเล็กน้อยของพระโสดาบันถ้ากําลังอย่างสูงสุดแค่ปฐมฌานใช้ได้อ น, นี้การเข้าไปตัดส ก, กายเยถิว่าพระโสดาบันและีธาคา ม, มี ให้ปัญญาเล็กน้อยคือมีความรู้สึกแต่เพียงว่าชีวิตนี้มันต้องตายก็อยอมรับความตายว่ามันเป็นความจริงแล้วเกิดมาต้องตายแน่สองวิจิกิจฉาความสงสัยคือว่าสงสัยในพระพุทธเจ้าสงสัยในบาธรรมสงสัยในพระอาิียสง ถ้าไม่แน่ใจว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีมีความดีควรจะยอมรับรับถือการตัดก็ใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าการพิจารณาความดีของพระเจ้าคือพิจ า, ารณาธรรมคําสั่งสอนของท่านคําสั่งสอนพระเจ้ารวบรวมมาได้ยอ่อยๆคำหนึสัพปาปัสะกรนังทรงสั่งสอนไม่ทําความชั่วทุกอย่าง สองกุศรสูตรสมบทาทรงสองสอนให้ทำแต่ความดีสามพระจิตตประโยชน์ฟันนังตังสองสองทรงสองสองจิตใจผ่อนสายจากกิเลสเอตังพุทธานะัสสาขนังสมุทธเจ้าทรงยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทุกองต์ตัสอย่างนี้เหมือนกันหมดในเมื่อเราพิจารณาคำสอนของพระองค์ว่าหนึ่งละความชั่ว สองบำเพ็ญความดีสามทำจิตใจปของใสาจากกิเลสเป็นว่าพระองค์ทรงสอนดีมีเป็นเหตุแห่งความสุขเราก็ยอมรับรับถือได้ก็ไปดูพระอริยสงฆ์ที่มรุตตามพระพุทธเจ้า ก, ก็มีสภาพเหมือนกันทั้นถ้าจะเป็นบัลโสดาบันนิสิกิธาข้า ม, มีก็ต้องตัดความของใสตัวนี้ออกไปใช้ปัญญาพิจารณาความดีเห็นความดีเห้ยเจา้าวิธรรมพระอริยสงฆ์จรงิจรงๆ เ่หมดความสงสัยแล้วมีความเชื่อมั่นจะเชื่อว่ามีความเชื่อจริงในพระเจ้าหมดความสงสัยต่อไปก็ต่อไปก็ ต, อ, กตอรักษาศีลนบ่ยไว้สุดศีลปตะดป ร, า, ปรม า, ามาตคามภีร์ศีลปตะดปราปรมาตคือคือละการลูกคลมศีคลคาาลูกคลมศีลก็หมายความว่าเราสมาถานเราจมาธานศีลจริง แต่ว่าปฏิบัติตามบ้างไม่ปฏิบัติตามบ้างครบบ้างบกคร่องบ้างอย่างนี้รูปความศีดถ้าตัดตัวนี้ออกไปสมัยที่รักษาสิ่งนี้เคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดาบันพระโสดาบันมีสามขั้นนะอย่างหยาบอย่างกลายละเอียดอย่างหยาบก็มีสินห้าบริสุทธิ์น่าบ้านคงถ้ามีความรู้สึกหนึ่งไม่ลืมความตาย 2. ยอมรับนักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมวาเรียสงจริงและสามักษาสินมั่คงจริงอย่างนี้ท่านเรียกว่าประสดาบันแต่สำหรับพระสรีธาคามีก็ตัดสามเหมือนกันพระมตทรงความเป็นประสดาบันระงับสกายยะทิฏฐิวิจิกิช้าศิลปตตาปรามาได้นานๆเข้าจิตเมร่ลมเย็น กิจเมรมเย็นก็ใครราคะความรักโลรพระความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงทุกอย่างนี่ยังมีอยู่แต่ว่ามีกําลังเบานี่ต่อไปเทพเป็นพระอนาคามีก็ตัดสัญญาได้อีกสองรวมเป็นห้าว่าตัดกรมชันท่กับปฏิฆะไอโสดาบันตัดส ก, กายิอิร่างกายจะต้องตาย แล้วก็วิจิกิฉาไม่สงสัยในพระเจ้ารพระธรรมพระเรียสงสิริปัตาปรามาทถสหสินห้าครบถ้วนสำหรับพระนาคามีนี่ต้องเป็นชินแปถ้ากำลังใจเข้านาคามีจริงๆจิต จ, จะทรงชิ้นปดโดยเฉพาะเพราะก็ไปตัดการมาชันทะไม่มีความรู้สึกในการมคุณถ้ะตัดเรคาคือตัดอารมณ์ไม่พอใจออกไป เรียก ว, ว่าความเร่าร้อนจะความไม่พอใจไม่มีในพระอ น, นาคามีทัตติห้แต่ว่าสําหรับสกายิธิทิฏิธิร่างกายในพระอ น, นาคามีจะไม่รู้สึกว่าร่างกายจะตายมีความเบื่อหน่ายในร่างกายเห็นร่างกายสุปกปกโสโครกมีสภาพเหมือนสุ น, นัขเน่าหรือ ง, งูเน่าว่าเกลียดร่างกายร่างกายเต็มในความสกปรกมีน้ําเลือดน้าเหลืองน้ําหนองอุจจาระปัสสาวะเป็นต้น รังเกียรร่างกายตนเองรังเกียจ ร, ร่างกายคนอื่นเห็นว่าเป็นสภาพสขปรกโสโครจนเกิดนิมิทายานเมื่อเกิดนิมิทายานนิมิตายานแปลว่าความเบื่อหน่ยายเมื่อความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นก็ตัดความรู้สึกในการมาชันทายาชได้ต่อไปก็ตัดปริฆปา ด, ดผมมีหางสี่ที่มีตาความนักกรณาความสงสารนูตตาจะมีอ่อนโยนไม่ช า, า, าริษยาไครอเบิขาวางเฉย รวมความว่าถ้าปรนนาคามมีก็ตัดได้หอย่างตอนนี้นถ้าจะเป็นอราหันต์ถ้าเป็นอรหันต์ต้องตัดครบสิบอย่างคือเพิ่มอีกสิบด้วยกันหนึ่งอรูปราคะตัดความหลงไหลใฝ่ายฝันในรูปฌานอารูปราคะตัดตัดไฟความใฝ่ายฝันในรูปฌ า, า, ป า, า, ามฟฟ น, นามานะตัดการถือตัวถือตนอุอาจาตจัตติจิตฟุ้งซ่านอาวิชา ตัดความพอใจในมนุษยโลกเทวโลกละเบลมโลกมีจิตนี้ต้องการจุดเดียวคือนิพพานกรวรองความระ ก, การปฏิบัติธรรมาดาท่านพุทธบริษัทท่านจะทรงสมาธิแบบไหนก็ตามขนาดไหนก็ตามหรือว่าจะเจริญวิปัสนาในือปัฒนาญาณแบบไหนก็ตามถ้าไม่สามารถตัดแสงโยน์ได้สมข้อข้างตน้น ท่านก็ยังไม่เป็นมระโซดาบันสิทธาคามีถ้ายังตัดสัญญาณได้ไม่ถึงหก็ยังไม่เป็นพระนาคามีถ้าตัดสัญญาณได้ไม่ครบสิบก็ยังไม่เป็นพระอาาดดรหันต์จะนั่การปฏิบยยัติขบัญญัติญาโยงพระทวารสัตทุกคนให้ดูสัญญาณเป็นสำคัญตัวนี้เวลาปฏิบัติจริงๆทาำยังไงนั้นดับแรกก็ทิ้งลมไม่ใจเข้าออกไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยัทรงลมไม่ใจเข้าออกอยู่แม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงแต่งคำสารีบุตรว่าสาลีบุตัดดูก่อนสารีบุทเราเองก็เป็นผู้มากนาณาปานุสต <The> ิคือกำหนดรู <the> <the> to <entscheiden> ้ลมไม่ใจเข้าออกอันดับแรกก็ว่าดายญาณโยมพระตวีสัตย์กำหนดรู้ลมไม่ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกไม่อย่างยาบ ถ้า อ, อย่างละเอียดมีนิดหนึ่งให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็ทราบอันนี้เป็นอย่างละเอียดแต่ว่าถ้าจิตของเราจะเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าหรือจิตเข้าระดับฌานจนต้องเฉพาะ อ, อย่างยิ่งพระอนาคามิอนาคานาป า, า, า, า, า, า, า, า, า, าสตินะถ้าอารมณ์ของจิตจะเข้าถึงสู่ระดับฌานการรู้ลมหายใจออกมาจะรู้ตลอด เวลาให้ใจเข้ากระทบเติมแต่เยื่หมูกเรื่อยไปจนอกถึงศูนย์เหนือสะดือมันจะรู้สึกตัวเวลาให้ใจออกจากศูนย์เหนือทสนดือเรื่อยมาถึงลมถึงตงถึงดิงดิง่งที่ปากที่เยื่อมูกอันนี้ของบรรดาญาติโยมที่จะสังเกตลมหายใจตามนี้นะอันดับแรกเราจะตงสังเกตลมหายใจแค่จยหมูกก็ได้แค่ท่อตอนติด ท, ท่องเหนือก็ดีก็ได้ แต่ถ้าว่าถ้าหากกำลังจิตจะเข้าถึงฌานมันจะรู้เรื่อยลงไปรู้การสัมผัสกระทบรูจะรู้สึกชัดๆอันนี้เวลานั้นที่ว่าจิตส่งฌานจะเข้าถึงฌานเราจะอานาปาลสติตอนนี้ น, นาปานส ต, ติเป็นพื้นฐานกรรมาฐานต่อไปถ้าสมมติว่าเราต้องการจะหวังความเป็นพระอริยเจ้าตัดให้ตรงเข้าไปเลยทีเดียว อันดับแรกก่อนจะภาวนาเรคิดถึงความจริงซสียก่อนว่าชีวิตทุกชีวิตที่เกิดมานี่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนหรืเปลี่ยนแปลงไปในช่ากลางและมีการสลายตัวคือตายในทีสุดเหมือนกันหมดเขาก็ตายเราก็ตายมาต้องตายเหมือนกันเราก็ยอมรับนะถือว่าความตายจะต้องมีกับเราแน่ แล้วความตายจะเข้ามาถึงเราเมื่อไรก็ช่างเวลานี้ขอสร้างความดีไว้ก่อนขอจับที่พึ่งไวเ้เป็นอาเป็นจับที่พึ่งไว้ก่อนคือต้องป้องกันหนีอบายภูมิที่พึ่งของเราก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นปกติโดยมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนึ ก, การนึกถึงความกระตายก็ดีการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ก็ดี ทั้งสองรยการนี้คิดว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนที่นั่งอยู่นี่มีครบแล้วต่อไปก็เหลือเรื่องศินสําหรับศินโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาศินห้ากันก่อนสําหรับพระโสดาบันขั้นกลางขั้นสูงสุดมันทรงกำหนดสิทธิ์เาศินห้ากันก่อนขั้นพระโสดาบันอย่างอย่าบเพราะสินห้ามีสิทธาบทใดบ้างที่ปกครอง ถ้าหมดดสิขาบทดได้ปกพรองอย่าเสริมสิขาบทนั้นให้มันคงนี่การที่รู้ลมให้ใจเข้าออกเป็นกรรมฐานกองหนึ่งเรียกว่านาปาโนสติการนึกถึงความตายเรียกว่ามรณานุสติการนึกถึงพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธานุสติการนึกถึงพระธรรมเรียกว่าธรรมานุสติการนึกถึงพระสงฆ์เรียกว่าสังขานุสติ การนึกถึงสีเรว่าสีลานุสติก็จะเห็นได้ว่าอารมณ์ก็เป็โสดาบันสกิทาคารมีอยู่แค่อนุสติไปไม่ไกลเลยและปฏิบัติง่ายๆแบบสั้นๆอยู่แค่อนุสติเท่านั้นเองฉะนั้นขอบรรดานญาติโยมพุทธบริษัทที่ปฏิบัติถ้าหวังความเป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นก็พยายามให้ทรงอนุสติตามที่กล่าวมาแล้วอนุสติแปลว่าตามนึกถึงลืมบอกไป มีหายากอานุสติเราตามนึกถึงตามนึกถึงความตายแต่ไม่ต้องตามนึกถึงทั้งวันวันหนึ่งจะนึกถึงความตายแต่สองครั้งก็ถือว่ามากคือตอนตืน่ตนขึ้นมาตอนเช้าเมื่อถึงตอนเช้าก็คิดว่าเวลานี้เราลืมตายเห็นแสงอาทิตย์วันใหม่แต่ว่าในตอนเย็นเราเห็นดวงอาทิตย์เวลาดับหรือไม่เราไม่ทราบ อันอาจจะตายก่อนก็ได้ตอนนี้ถ้า เ, เวลาตอนเย็นเย็นบางคำ่ำก็คิดว่าเวลานี้พระอาทิตย์ค่าลับไปแล้วเราจะมีโอกาสเห็นพระอาทิตย์ในวันใหม่หรือไม่กูยังไม่ทราบอาจจะตายก่อนก็ได้มันจะตายเมื่อไรก็ตามทีขอยยึดความดีไว้ก่อนคือพระไตรสนาคมถ้านึกถึงความตายเป็นบรนาธุติจัดไป็นขนยอดกองที่หนึ่งือพรโสดาบันขันยอดกองที่สองก็คือ พระพุทธเจ้าพระรรมปัญอริสงที่ต่อไปเ็าจะสามก็สิน้นเวลาปฏิบัติจริงๆจะไม่หนักเอาตามนี้นะถ้าหากว่าเรามุ่งมัน่นทรงสมาธิหนักแต่ตัดสัโยชน์ไม่ได้ก็ไม่เป็นพออระอาษีเจ้าเขาเหน่อยก็ลงความอยากาหน่อยเปล่าก็ได้ก็ไม่สามารถจะตัดสบายภูมิได้อันนี้ก็มีเวลาเหลือ10นาทีกว่า ก็มาขอเรียนลำดับสมาธิเพื่อกันบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบริษัทเหลอคําว่าสมาธิมีหลายอย่างอย่างแรกเรียกวขานิกาสมาธิแปลว่าสมาธิเล็กน้อยคําว่าสมาธิเล็กน้อ ย, อยาญาโยมพษษษุทธบริษัทนี้ว่าเป็นการทรงอารมณ์เป็นสมาธิคําว่าสมาธินเนแปลว่าการตั้งใจ ถ้าเราตั้งใจอยู่อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเวลานั้นที่วิจิตมีสมาธิถ้าตั้งใจนึกถึงความตายว่าความตายอาจจะมีกับเราวันนี้แลือพรุ่งนี้มรืนี้เดือนหน้าปีหน้าก็ไม่ทราบแต่ว่าชีวิตนี้ต้องตายกันแน่อย่างนี้เรียกสมาธิม ร, มรนสติกรมมฐานถ้าเรารู้ลมให้ใจเข้าออก เป็นสมาธิใา น, นาปานุสติกรรมฐานถ้าเราภาวนาว่าพุทโธความจริงพุทธานุสติที่มีคำภาวนาเยอะนะจะภาวนาว่ายังไงก็ได้แต่เรื่องได้พระพุทธเจ้าเอาต้นต้นเปตัว อ, อย่างว่าพุทโธก็แล้วกันถ้าเราภาวนาว่าพุทโธก็เรียกเป็นสมาธิในพุทธานุสติเป็นต้นแต่สมาธิของเราจะทรงไม่ได้นาน รู้ลมให้ใจเข้าออกด้วยให้ใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกว่าโธก็มัไม่นานนักสักนาทีหนึ่งบ้างเกินนาทีบ้างก็หายไปคำภาวนาหายไปการรู้ลมให้ใจเข้าออกหายไปหรือถ้ า, ารมอื่นเข้ามาแทรกอย่างนี้ถือว่าจิตฟุ้งซ่านนอกเหนืออารมณ์ของสมาธิแต่ก็อย่าเพิ่งตำหนิตัวเองวันเร็ว เม่รู้สึกตัวแบบนั้นก็เริ่มต้นใหม่อาจิตเข้ามารู้ลงไม่ใจเขาออกใหม่ภาวนาตามใหม่พระเดียวก็หายไปอย่างนี้เรียบว่าคานิกาสมาธิถ้าจิตคมวดาญาโยมพุทธวิสัทต์ไม่สามารถจะสัสมาธิได้สูงกว่านี้แค่ <c oughs> ทรงได้แค่คณนิกาสมาธิก็จงยา น, นึกว่าไม่มีผลยังมีผลมหาศาล ทั้งนี้เพราะร่บการสะสมสมาธิเทีลเล็กกันน้อยวันหนึ่งนาทีบ้างนาทีบ้างในการที่สามารถทรงสมาธิได้มีอะไรสมบมีอา น, นิสงส์้ดยการใดอานสง์อย่างนั้นจะไม่ถอยไปจากใจขร้นมาได้ยาโยมบริษัทมันจะสะสมตัวเองวเวลาที่ใกล้จะตายจริงๆถ้าเวลาท่านป่วยท่านยับเหอคิดว่ามันจะหาย การเปรวยปรากฏอะไรก็คิดว่าความเป็นมนุษย์กับความตายมันอยู่ก้ามกึ่งกันเราอาจจะตายก็ได้อาจจะหายก็ได้ยัง ไ, ไงก็สรงกาลังใจทรงสมาธินึกถึงพระไตรปิฎกมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นไปก่อนถ้าทําอย่างนี้บรรดาญาโยงพระบริสัทธถ้าตายจากความเป็นคนสมาธิเล็กน้อยนะตามตัวอย่างที่ปรากฏในใบสวด เป็นเทวดาบนสวรรค์เช่นดาวดึงนับไม่ถ้วนตัวอย่างสาธกิเทพปิิดาแต่สาธกีเทพปิดาที่เขาไม่เจริญสมาธิแบบเราเป็นเพียงว่าเธอเป็นคนจนเวลาชาวบ้านเขาทําบุญกันก็ไปทําไม่ได้จนนิช้าก็ต้องประตัดฟืนเย็นก็กลับกลับมาแล้วขายฟืนหวงข้าวอาบน้ำบรรทัดเศจกระคาเวลาจะทําบุญไม่มีกับเขา แปล ว, ว่ามาวันหนึ่งเธอจะไปตัดปืนเห็นดอกบกผมสีเหลืองก็มีความรู้สึกว่าดอกบกผมนี่มีสีเหมือนจีวรพระสงฆ์ย่านี้เขานึกถึงพระสงฆ์ต้องจากเป็นสังขารวุสติเกิก็คิดว่าตอนเย็นถ้าเรากลับเราจะตัดดอกบกผมนี้ไปบูชาเจดีที่คําวรรจุกระดูกพระราหารัน ตอนเธอกลับมาเธอก็ทำตามนั้นตัดดอกบวบผมมา่อถึงกินข้าวกินปลาเสร็จอาบน้ำเสร็จก็แต่งตัวหวังจะไปบูชาเจดีย์ที่วัรจุกระดูกพระหรหัสน์เวลานั้นอย่าลืมมันก็ตั้งใจจะไปบูชาพระลานแต่ว่าพอออกไปประกรอบบ้านก็ปลากฏมีนางยักษิีนีแปลงเป็นวัวแม่รูอ่อนขิดเธอตาย เธอตายทั้งๆ ท, ท, ที่กำลังใจคิดว่าจะบูชาพระเจดีที่มาจุกระดกกระหรันบนเพียงแค่นี้ถ้เรียเทียบสมาธิก็เป็นคณิกาสมาธิสมาธิเล็ดน้อยปันดานให้เธอไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกมีวิมานทองคำวิที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวาร และมีเครื่องประดับทั้งหมดสีเหลืองเพราะเวลาจะตายปลาลบสีเหลืองคือว่าสีดอกบกขมคืนวันนั้นปรากฏว่าพระพุทธองพระมกคลาที่พระาอากรสาวกเบื่อซ้ายของพระเจ้ามากพระเดริศไปเที่ยวนรกขึ้นมาแล้วก็ไปสวรรค์แต่ว่าไปนี่มานหลังนี้เข้าก็แปลกใจว่าเมื่อคืนที่แล้วมาวิมานหลังนี้มันไม่มี เม่วันนี้ปรากฏได้ยังไงยังข้าไปใกล้ไปถามเจ้าของวิมารที่ก็เล่าตามความเป็นจริงตามที่กล่าวมาแล้วนี่เรา บ, บรรดา ญ, ญาโยมพระทวีสัทแม้แต่ครั้งนีก้ก็สมาธิสมาธิเล็กน้อยญาโยมถ้าทําได้ก็ควรจะภูมิใจในตัวเองถ้าใครก็บอกว่าเขาทรงสมาธิได้ครึ่งชั่วโมงบ้างหนึชั่วโมงบ้างสองชั่วโมงบ้างสามชั่วโมงบ้างก็ช่างเขาเราดีแค่ไหนพอใจแค่นั้น ถ้าทำไปทำไปได้บ้างไม่ได้บ้างจิตพัดบ้างตั้งตนใหม่บ้างพอจิตเริ่มเป็นสุขใช้ได้ต่อไปถ้าจิตเริ่มฟุ้งซ่านมากๆคุณมาอยู่เลิกเสียฝืนนี่เป็นสมาธิกันตนต่อไปก็เป็นอุปจาระสมาธิสมาธิขั้นกลางยังไม่ถึงฌานเ้าเรียกถ้าเรียกเป็นฌานนี่อุปจาระฌานคือเฉียดฌาน สมาที่เกณฑกลางที่จะมีจิตใจเอิบอิ่มมากจะมีการชงอารมณ์ได้ดีมีความปราบรื่นมีความสุขความสุขที่จะรับสัมผัสไม่เคยมีมาโดยอดีตมีความสุขมากแต่แตอนนี้จะมีปีติเคลื่อนลมอิ่มใจตอนนี้เขามาดาญาติโยมพระเบรมสัตวต้องระวังให้มากแกบเผือ เพราะว่าตอนจิตเข้าทั้งปีตินี้มันจะไม่อยากเลิกไม่อิ่มไม่เบื่อในการเจริญสมาธิจิตใจจะมีความสงบจิตใจจะมีความสบายจะมีความเพลิดเพลินตอนนี้ต้องระวังระวังว่าอย่าปล่อยเวลาเผลอเกินที่เราพักเราเคยนอนพักผ่อนเวลาเท่าไหรพักเวลาเท่านั้นถ้าจิตใจยังต้องการสมาธิอยู่ก็นอนภาวนาให้หลับไปเลย ยาฝืนทร ง, รงตลอดคืนตลอดวันจะเป็นโรคสมสรษาตตอนเนี้คนเป็นโรคสมสรษาตกันมากปีก็บอกว่าเจริญสมาธิเป็นโรคสมสรษาตก็ตอนปีติคือไม่มีการยับยั้งตัวเองตอนนี้ปีติจริงๆก็มีอาการห้าอย่างแต่าการเขาปีตินี่ก็ไม่แน่ว่าจะมีกับคนทุกคนบางคนก็สัมผัสทั้งห้าอย่างโดยมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นพุทธภูมิ บางท่านก็สัมผัสอย่างหนึ่งบ้างสองอย่างบ้างสามอย่างบ้างบางท่านไม่สัมผัสเลยก็มีจิตเลยจิตเข้าถึงฌานเลยก็มีเพราะการจรียนสมาธิทะไมแน่ว่าต้องเป็นสมาธิเล็กน้อยโ อ, อจาราโจาราสมาธิป็นชาไม่ใช่อย่างนั้นบางคนบา ร, รมีเก่าเข า, เขามีมากเคยทรงฌานสี่มารเริ่มทรสมาธิพอตูกจุดจิตก็วิ่งเข้าานสีทันทีอย่างนี้ก็ม่เยอะ เรื่องความวาอุปจารสมาธิคือปีติเมืาการห้าอย่างคือหนึ่งขนลุกขนพองที่เรียกว่าขนพองสอยองเกล้าสองน้ำตาลไหลสร่างกายโยกโครงโยกไปโยกมาโยกมาโยกไปแต่มันไม่ล้ม4ตัวลอยขึ้นบน อ, อากาศหเมื่าการซราบซ่านสู่สร้างเหมือนก็ลมออกจากร่างกาย เรื่องความรลอาการทั้งห้าอย่างที่ท่าปรากฏกัมมันดาญาโยมพุทธบริษัทอย่างใดยันหนึ่งคนใดคนหนึ่งก็ตามให้สังเกตอารมณ์มัจจิจ า, ารมของเราจะมีความสุขมากอารมณ์ขอเราจะมีการทรงตัวมีความอบอุ่นสมาธิจะไม่เคลื่อนอาการมันปรากฏจริงแต่สมาธิไม่เคลื่อนดังนั้นกัมมรนดาญาโยมพุทธศริษัทที่มีอาการอย่างนี้ปรากฏให้เป็นคนมีเหตุมีผล ว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออารมณ์เป็นสุขของใจจะหน้าการอย่างนี้เกิดขึ้นไม่ทําำสมาธิเราเคลื่อนไปก็ปล่อยมันจะเป็นอย่างไรก็ช่างขนจะลุกขยับฟองสย อ, องก้าวก็ปล่อยมันไปนเรื่องของร่างกายไปน้าตาจะไหลก็ปล่อยให้มันไหลไปใจเราเป็นสุขร่างกายจะโยกโครโยกไปโยกมายัางก็ช่างมันจิตใจเราเป็นสุขมีสมาธิ ตัวจะลอยว่ า, ากายก็ลอยไปมันไม่ลอยไปไหนมันกลับมาที่เดิมเพาช่างมันมันจะลอยไปสวรรค์ไปพร่มโลกก็ช่างมันน้ำมันอาการจะทราบสั้นโซ่สาอย่างเราช่งจิตเป็นสุขให้ถือจิตเป็นสุขเป็นสำคัญอย่าไปหลงไหลฝ่ายฝันอาการอย่ า, า, า, า, ยาไปัว า, า, ากาล น, นี่ที่ขวากาลไม่เยอะถ้าเราปล่อยมันไปอย่างนั้นไม่ไปสนใจกับมันไม่กี่วันอาการนั้นจะหายเมื่อจิตเข้าถึงฌานพระอุปจาระสมาธิมัน ใ, นใกล้ฌานนิเดียวได้ยเฉียดฌาน เมื่อจิตเข้าถึงฌานแล้วอาการอย่างนั้นก็หายไปหมดจิตเป็นสุขขป็นเอขั T A K T A R o ตารมตอนนี้เหลือเวลายสามนาทีอาการของฌานเป็นอย่างนี้ในญาติโยมพทธบริษัตนะเอาฌานหนึ่งก็แล้วกันแค่ฌานหนึ่งก่อนฌานที่หนึ่งนี่มีอาการห้าอย่างเพือนหนึ่งวิตกสองวิจารสามวิติ ส, สุขห้าเอขคตา ชาทีหนึ่งวิตคือมีตกกวิจารคือให้ใจเข้าใจออกรู้ใหใจรู้ว่านึกว่าจะให้ใจเข้าใจออกรู้ว่าเวลานี้ใจเข้าใจออกรู้่าเปลีตกจเข้าอรู้ว่มีคใจขามอิร่มใจเขมีออรมณ์่าเป็านสุขอย่าเวลาน้เาอกรูาเวลานั้นมีขารมณ์่เว็านหนึ่เไมาวอกแวกไปไลนี้เข้อสังเกตู้ว่าน สมบัติธรรมบัญชาณเราขณะที่เราทำสมาธิอยู่ภาวนาอยู่รู้ลมหายใจเขาออกอยู่จะมีครบเวลานั้นจะยินเสียงไพ่นอกชัดเจนแจ่มใสามากเสียงอะไรก็ตามเสียงคนเสียงวิญญาเสียงโทรทัศน์เสียงรถยนต์ได้ยินหมดทุกอย่างครบถ้วนแต่จะว่าเวลานั้นจิตจะไม่รําคาญในเสียงขนาดนั้นพระยาโยมพระภดชพรสัษษตรดทราบว่าเป็น เ, เวลาที่จิตเข้าถึงมัตถมิจฉาณ คือชาทีหนึ่งตอนนี้เวลาหรือนาทีเครื่งเขาพูดชาดีสองนิดหนึ่ง <c oughs> ถ้าจิตเข้าทึ้งชาดีสองตัว น, นี้คนตกใจกันมากไม่จะเป็นเกือบทุกคนพอจิตเข้าทึ้งชาดีสองจิตจะตัดวิตกวิจารณ์ทิ้งไปมันตัดเองแล้วไม่ได้ตัดวิตกวิจาร์จะหายไปเหลือปีติสุขเองกันค่าตแต่าการตัดวิตกกระจารก็มีวิจารก็มีว่า เวลานั้นจิตมีความเอิบอิ่มมากแต่ไม่ปรากฏว่าภาวนาคำภาวนาหายไปจิตจะมีความเป็นสุขมากเอิบอิ่มมากต่อมาเมื่อจิตคลายจากชานทีสองลดตัวลงมาที่ชานที่หน่งจิตมีการขึ้นไหวได้ก็ตกใจคิดว่าเราหลับไปหรือเพื่อเราลืมไปบ้างอะไรแค่คำภาวนาว่าพุโทโธสองกรรมมาภาวนาไม่ถูกอาการอย่างนั้นเึงทราบว่าแปลอาการของชานิีสองคือทุติยชาน เรามันดาญาโยมบริษัททุกท่านพูดมาพูดไประยเวลาครึ่งนาทีตอนนี้ไปก็ขอแนะนาําบรรดาญาโยมบริษัทถ้ามาใหม่จริงๆรนะญาโยมบริษัททุกคนให้ตั้งใจกําหนดโูดลงให้ใจเข้าออกก่อนและหลังนั้นจากนั้นก็ภาวนาพระพุทโธให้ใจเข้าออนึกว่าพุทธ ใ, ใจออกนับพุทโธ สำหรับญาติโยมพุทธบริษัทที่เก่าแล้วก็ปฏิบัติตรมมสบายัยตอนนี้ไปทุกคนตั้งใจสมาทานศีล ส, สมาทานกรรมฐาน